ตาทำนะปฏิปตรรมกันเถอะนี้ทางตามทำตามไดในชีวิตเราก็จะไปสู่จุดหมายหลายทางตัให้จากความเป็นคนเป็นมนุษย์จากความมนุษย์เป็นพระสูงตามรดับจนเป็นพระอาหารได้ มีทางอยู่ไม่ว่าอะไรถ้ามีทางที่จะไปสู่ที่นั่นถ้าผู้ที่อยาไปประสงค์จะไปสู่จุดหมายปลายทางที่นั่นก็ต้องเดินตามเส้นที่ตามทางนั่นไปก็ถึงแน่นอนหากถ้าจะเดินไป เราทำนี่ทำไว้ไหนพระพุทธเจ้าตอดไว้ดีแล้วเมื่ายแล้วสะดวกแล้วสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติตามทำไว้ไหนท่านทำได้ทุกคนให้ผลได้ตามทุกคนสำหผู้ที่จะปฏิบัติตามทำไว้ไหน ขนาดพูดเจ้านี่สมัยเป็นเจ้าผ้าชายได้เล่าเรียนถึงหลายศาสตร์ตามตำราว่า 16-17 เจศาสตร์จบมาในการศึษาของโลกไม่ใช่สามร์เหมือนพุทุชนด้หลายเป็นผู้เมสติปัญญา ศึกษาเลยก็จบได้นั่นก็เป็นส่วนของโลกโลกวิา ศ, ศาสตร์นักศึกษาวิทยาศาสตร์าสาสต่างๆแล้วคนที่เรียนอนีางนี้ก็ต้องมีความรู้คามศาสตร์ด้านนั้นจึง เป็นเรื่องที่สะดวกสำหรับผู้ที่ศึกษาตามหลังที่พระพุทธเจ้าด้เดินไปแล้วเนะี่ยให้ยากสะดวกว่าเป็นความสะดวกลองสัมบัติดูื่ความรู้สึกสตัวเนี่ยมันสะดวกควารู้สึกสตัวไปยในกายภายในใจว่าจะ อะไรที่มันเกิดขึ้นมาในขณะที่เรามีความลู่สุดตัวอยู่นี่เดินความหลงมันไม่สะดวกนั่งเราเดินตามทางเมื่อวันหลงเหมือนกับออกจากทางไปเป็นโลภผป็นผงไม่สะดวกกลับมาสู่ทางมาลู่ที่ใดก็สะดวกทุกทีทุกครั้ง เราผู้ที่สมผัสกับการเดินกับถนหนหนทางทางที่มันอยู่ภายในใจเรานี่ชีวิตเราจะเดินบางผิดผิดเราจะชินชาต่าอความหลงหวามสุขความทุกข์ที่มันใช่ความรู้สึกตัวเดว่แล้วก็ชินทางนั้นชินเล่าก็ชินแบบชินเล่าหรือ ว, ว่ามันดี คนสุบุรีก็คิดว่ามันดีจึงทำตามสิ่งที่เราเห็นว่ามันดีใน เ, เงินมีท้องก็ซื้อมาสูบ ม, มันดื่มคนที่โกรธก็เห็นว่ามันดีเพราะมันไม่เคยเห็นทางก็ปฏิบัติตามตามโกรธจนสำเร็จทุกครั้งที่มันโกรธเราาบนรลุก็ พอใจในความทุกข์ยินดีในความทุกข์ในความทุกข์นอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามปีนึกถึงแต่เรื่องที่ทำให้เป็นทุกข์เพเหมือนเคยคิดทางนั้นเห็นสาวคนหนึ่งที่มีเพื่อนที่เป็นทาอยู่นี่อยู่สุกโต้เ่ยาตเเพื่อนเพื่อ น, เ, อ น, เ, อนเคยรู้จักก่อน แล้วเขาก็เคยมาบวชแม่ชีที่มัสตาชุกโตเสกไปทางพลาดให้สสกไปช่วยงานก็ไปใช้ชีวิตวิพากษ์เครียดเป็นคนซึมเศร้าดูหน้าดูตาก็จะว่าซึมเศร้ามากก็อวยพระท่านจะต่อมา แต่ใคจคิดจากจะช่วยลองดูวิวามันช่วยได้มันใจคิดว่ามันช่วยไ ด, ยได้ก็ต้องช่วยได้จริงๆถ้าเชื่อกันจะมาพูดอยู่ตั้งหลายนาะทีเป็นเกือบชั่วโมงชวนให้ยิ้มก็ไม่ยิ้มเขาบอกว่าเขาคิดดีไม่เป็นคิดถึงแต่เรื่องที่ทำมาเป็นทุกข์เป็นโทษ คิดดีไม่เป็นชวนคิดดีๆก็ไม่มาไปแต่วความคิดที่ไม่ดีเชื่อมเศร้าอยู่ชนนัน่นี่หรือว่าเราเคยคิคหับจังเอยก็เป็นอย่างนั้นกายของเราใจของเราเนี่ยแต่ถ้าเร า, าหัดที่มีสติด้วยถวนต้องทีแรกก็ต้องทวนกระแส สิ่งที่มันเคยผ่านมาหลายหล่อย่อนเคยใชชีวิตเดือไหนเป็นโทชาสลิดก็โทชาสลิดแสงหน้าแสงหลังโมหสลิดหาคาสลิดเกิดขึ้นเป็นนิสยัยนั่นแหละ้วนักหินทาง จริงๆแล้วปฏิบัติแล้วมีสติแล้วก็คู่เชิงก็ว่าได้จนคู่เชิงเพื่อจะต้องเห็นต่อหน้าต่อตาถ้าเราเป็นทําที่เป็นคู่เชิงเป็นเครื่องมือที่ไหลกลับมาลู้จิกตัวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น ก็ทำได้ทุกครั้งทำได้ทุกครั้งคนที่ทำได้ทุกครั้งในสิ่งที่มันดีมันถูกต้องแล้วก็ชานานมีพลังหลายด้านมีศรัทธาใีความเชื่อมีความเพียรแล้วก็คนที่ฝึกมาฝึกกายชนนักเล่นกายนักเล่นมา้า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 ชนะทุกครั้งเขาหาได้บัญชนะทุกครั้งไก่เขาก็เป็นไก่ที่เป็นนักไก่ชนที่ไม่ยอมแพ้ที่ใดที่นั่นชนะทุกทีก็เป็นลงสนามก็กลายเป็นไก่ชนที่มีประจบกา์มีบทเรียนไม่ยอมแพ้ ด, ด้วยความหม่าบันไดความโตอสู้ด้วยความเขียนด้วยไม่กลัวเจ็บ โอ้ชนานะทุกตีการเป็นไก่ชนดีมีค่ามีนาคาหมาเชิงก็เหมือนกันหมาชิงกับมาที่มีผีเท่าไม่ดีแฉงที่ได้ชนานะที่นั้นก็เชียร์มันให้พุ่งมันลอยลูกหน้าลูกตาแต่เมื่อแต่งตัวแล้วก็ย่อมโทลอง ที sa ่ไหนเดีได้ยินเสียงลูกเวทที่ไหนมันคก็ย้อนขึ้นนกตีบอกมันชนนะได้ยินเสียงลูกเวทกย้อนไปเรื่อยๆกระโดดโลดเต้นหยอกจะวิ่งอยากจะวิ่งเอาหันหึดทำนั้นเคเห็นแต่ก่อนอยู่บ้านเก่าบ้านเก่ากานเห็นู้ใหญ่บ้านใครมาเชียงแต่ไม่มีได้ยินเสียงลูกเวทก็เฉย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 มีสติด้วยความไม่ขย่านไม่พอใจคิดหน้าคิดหลังว่าวงญเรื่งนั้นว่าบุญเรื่องนี้ยืดอดยืดยาดมันจะหัดตัวเองไม่ดีต้องให้มีความพร้อมว่าสมควรในตอนที่จะเดินทางในการที่จะไปทางไหนในจานตงมวนที่เดินทางจากเชียงใหม่ถึงภาคใต้ มันมีวมเว่ต้องเดินยางไก็ต้องเดินไม่พบเงินกบดถ้าไม่ไมีให้ใให้ยืมก็จะไม่ย จ, จะไม่อ้ปาปากขอใครเดี๋ยวน้ก็ไม่ต้องขอใครคอได้ินทนที่ไหนก็เติมจินไปไม่ตาย เดินคนช่วยอยู่ระหว่า จ, จะเดินจะเดินลำลองที่จะเดินมมนมีอะไรที่จะทำให้สนหุน่สูงก่อนเดินในขราวเดียวกันเยอะแยะไปเลยนี่เราปฏิบัติธรรมแท้ง่ายกว่าทุกอย่างหนึ่งงละธรรมชาตินักบวช พระกาสาวพัดสำญาดามิตรพระภิกษุแม่ชีภิกษุณีอุบาสิกาอุบาสกต่าชาติต่อไมา้ต่ำนอกไวใน่นอยกตัวเราอากาศก็ดีรยากาศดีๆ เราก็มีเป็นมีสเเพื่อนดีๆการความอยู่ด้วยกันอาหารบินะ บ, าบอดก็พอดีพอดีม่ได้เลือลออาา่อนลาดวงจรสวนเดินทางจนถึงจุดหมายปลายทางได้แนวร่วมที่เกิดกับเราปฏิบัติเยอะแยะเลย เลี้ยงอีกท ร, รมาวินงไหนที่เหมือนถูกต้องที่จัดไว้ดีเยอะแยะเป็นเครื่องมือมีนิมิติมองถึงได้ขิ้นพระพุทธเจ้าอุบ า, าจานทร์จะมาถึงรุ่นพวกเหล่านี้เห็นไหนคุน อาจารย์ผู้สอนเช่นหลวงพ่อพุทธธาสหลวงพ่อเทียนก็เห็นอยู่นี่แม่หลาสวนมไฑวิภ า, านี่ปล่อยออกมาจากภาษาบาลีคือเจ้าคุณพุทธทาสมันก็สะดวกหลายอย่างทำสอนพระเจ้ามาให้เป็นภาษาของเราภาษาไทยเหมาะสำหรับ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 คนหน้าคนหลังโซฟาหน้าเะเห็นกำแดดกำฝนเขายังทำงานอยู่กลางแดกกางขนเป็นเดือนเป็นปีเลยเข้าเลยหวงเหัวอยู่เหมือจิอจนนี่ปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิสีตระจะไม่เป็นนักบวดก็ได้หอ ศึกษาหลายรูปแบบตั้งมาหกปีมาขนาดถึงปัญญาชนขนาดถึงเรียนม า, าสิบเจ็ดาตรเห็นทุกที่ทุกแห่ ง, ท, งทุกห ม, มู่ตามที่ได้เรียนได้สัมผัสได้มีผู้สอนปฏิบัติตามถ้า ง, งูคงไม่มาถึงพุทธเจ้าอยู่กับอาจารย์ตระการะบทอลาตระบทที่นั่งกบเพียงพองหรือครูต้องห กูกกับใจนะสนใจวรรณตรพจอาทิกะกรพลอาทิกะเกตกมพลมกคคริโศสอนนี่ล้วนแต่เป็นครูที่ดังๆสมัยนั้นยังเอามาอยู่ได้คือผู้ผผยพิวหมิ่นปัญญะแสดงว่าแหลมคมพอจงควรพาจะมาถึงธรรมวินัยเนี่ย เบกมือเท่าไหร่ยังหกปีเลยมีความขยันอดทนแค่ไหนจึงสบายสําหรับพวกเราผู้ที่อยู่เป็นสุดท้ายไปหลังได้เห็นได้สมบัติได้ไม่ได้ดยุ่งได้ยากเหมือนกับประกอบไปได้เลยไม่ต้องใวยหัวงคิดปัญญาอาะไรไม่เกี่ยวกับเพศก็ไห ว, วได้ใดย ไม่เกี่ยวกับชีวิตขนาดไหนหนุ่มแก่เรืงเหมาะที่สุดที่เราจะต้องมาปฏิบัติธรรมทำวิไนเนี่ยมันสะดวกสะดวกเป็นอันนี้สมเกิดขึ้นเวลาอะไรที่มันเกิดขึ้นถ้าเรามีจิตติเนี่ยมันจะรู้สึกตัวเนี่ยวางรู้สึกตัวมันพาให้เราบริสุทธ จมดจดจ่อเครื่องสองมองปฏิบัติเป็นภพมัจจันบริสุทธิ์จริงๆอะไรเกิดขึ้นมามันหลงเห็นมันหลงไม่ได้เป็นผู้หลงมันทูกข์เมันทุกข์มาได้เป็นผู้ทุกข์รู้สึกตัวมันมีกิเลสตัณหาเกิดขึ้นรู้สึกตัวว่า ไ, ได้มีกิเลสจิตตัณหาคมยทําให้เราเปืเป่เพื้อนบริสุทธิ์ทั้งกายทั้งใจ มันก็เห็นได้อยู่สัมบัติได้อยู่แค่ไหนเพีงไหลเป็นปัจจัตตังของผู้ปฏิบัติไม่น่าจะโทษถอยโทษแท้เป็นหน้าที่จะการตื้อลุลุนเมื่อก่อนมาได้สัมผัตกับชีวิตจริงๆด้วยกายด้วยใจจริงๆมันบริสุทธิ์หมดจดอย่างไหลนมีผลอย่างไหล ไม่ได้ดื้อไม่ได้ด้านได้ศึกษาได้สัมผัสของผู้ที่เห็น ผ, ผู้ปฏิบัติเองนี่คือของเทล็ของจริงมาให้ได้สัมผัสในคราวเดียวกันไม่อยู่คนละทิศละทางจึงเป็นเรื่องที่เป็นกบเป็นกรรมขึ้นมาจริงๆไม่ได้เฉียง มันก็ดทำนาทำไร่ต้องเสี่ยงต่อสิ่งเวล ร, รอบเดินผ้าอากาศเฮ้กันราคาัคษาไม่มีคาว่าขาดุนได้กำไรปฏิบัติธรรมน่มาได้ลงทุนอะไรที่ไหนทุ่มเทที่ไหนเป็นนี่เป็นสินจากราสร้างมรรคสร้างผลปฏิบัติตามทำไม่ไหนนี่อยู่ในตัวเราแล้ว วิก็คือวิเศษในยะน้ำไปไม่มีใครนอกภายในที่ไหนอยู่กับตัวเราทั้งหมดเลยเป็นำํำรอก็อยู่ในกายในี่ใจนี่แต่เป็นผู้ศึกษาก็เป็นสตินี่จะดวกเห็นทุกเรื่องที่มันเกิดกับกายกับใจเราลู้สุกตัวนี่แม้จะเป็นอนุบาลเป็นแช่นปถมที่แรกแล้วก็ต้อง ประสบการณ์ได้บทเรียนมากขึ้นถ้าเราได้เห็นสิ่งที่มันเห็นบ่อยๆถ้าได้มีสิ่งที่มันมีบ่อยๆที่มันถูกต้องบ่อยๆแล้วก็มีประสบการณ์นั้นเราเป็นนักเรียนเรียนหนุ่มบอลเรียนปฐมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาลู่อะไรก็หมายไหลทําอะไรเป็นประสบการณ์นี่บทเรียนหมาเหมือนทาเป็นไม่ เพินความที่จะเป็นความคิดที่ปัญหาคำตอบโกงความคิดมันทำเป็นแล้วมัต้องได้คิดที่เป็นทำไปไ่ไหนเป็นมรรคเป็นผลม่ต้องได้คิดมันบอกความถูกมันบอกความผิดมันบอกเนี่ยอยู่ใปจัจจจตังของผู้ปฏิบัติ ถ้าเราจะศึกษาได้ปฏิบัติตทำทำทำไม่ไหนจะเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ทำไม่ใช่วินัยเกิดขึ้นและไม่มีใครมาบอกมาสอนช่วยตัวเองดูแลตัวเองอย่างสง่างามในฐันปฏิบัติธรรมนี่นั่งอยู่คนเดียวก็งามจะนอนจะเดินจะยืนที่ไหนก็งามงามด้วยความไม่เปรอเปื้อน ว่าใช่งา ม, ไ, มได้ใบหน้าแต่เนื้อแต่งตัวเป็นเรื่องที่เราก็ตือรุ่น น, นะเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อาาเห็นเรื่องนี้สัมผัสเรื่องนี้ก็ตือรุ่ น, นปล่อยทางไหนวระกาศไปอลปัลโหลยาบาลมาลาพาความไม่เป็นโลกเป็นลาบมาไปเสดสุโดยทางสีแวด ง, งแดง ชว น, นเหมือนกับพวกเราทุกคนนี่ล้าปาขพวกเราโดยแพ่ที่เรื่องผู้ใหญ่ปอยมีแนวร่วมนี่พวกเราเนี่เจ้ายังไงมันสะดวกไปที่ไหนปุ้มาอไปคนก็นยกมือไหว้อที่ของที่ดีใส่คนเข้ายกมือใส่หวัว วันนี้เราจะเป็นคนประมาทมันก็เต็มทีแล้วคเจ้าเนี่ยไปเป็นตำบาจ้งถูกเขาด่าวนไหนมีแต่มาขอข้าวของจินไม่ทำมาให้ชิญนรไรไม่ให้ไปยบวันนั้นก็มีนะท่านไหนเขาก็ด่าไอ้บ้ า, า, บานุ่งบา้าอาจจะเป็นบา้า เร็วที่สุดคนเราบงสุขุณผ้าขาดขาดผ้าที่หาตามศบมาซักมาปะมาย่อ ม, มาเย็บเชิดดูแล้วไนงะเรานี่จะเร็วขนาดไหนนะไม่ได้ทำแบบนั้นจะดูกส น, สนุนสนุนเราทุกบปแบบพุกเจ้าบุกเ บ, บิกมาให้ วัดาวาอารามที่เราอยู่มีมาแล้ว 2,600 ปีอาหารดีเด็บาดมีมาแล้ว 2,600 ปียังไม่ล่าสมัยยังนำอยู่เพราะมีอันี้สองมีประโยชน์เกิดแนวร่วมกันทั่วโลกไปทางไหนเมื่อลำบาก เนี่ยต่อรถต่อเรือเขาก็ซื้อมาให้ของใช้ของสอยซื้อมาให้สองสอมวันก็ีวอ่เอป็นไปหมดไปรถมัดรทัวร์ใหญ่สองสามคนมาปฏิบัติมาถามเรื่องการปฏิบัติว่าได้ตะโกนเรียกนั้นพี่เจ้าสมัยก่อนเราจะอยู <Great. S 2> ่ยังไงพวกเรา ไม่เห็นคุณค่าที่เป็นความถูกต้องเกิดอยู่ในเราไม่ศึกษาเลยจะไม่มีน้มใจที่จะต้องดูเลยกันเลยมีคนอีกเท่าไหร่มีเท่าไหร่ตาไหร่ง้อเราก็อย่าตะตาคื อ, อย่าญาติโล้ตะทาแยบประโยชน์ตัวโลกในชีวิตแบบนี้ลงดูมันจะโล สง้างงามมีค่าพุทธากิีลสประโยชน์แห่พระพุทธศาสานาทำให้ดูชุยเห็นพูดในเปล่านี่คือชีวิตของเราแล้วก็แล้วก็วกอุ่นอกอุ่นจใจมีเพื่อนมีมิตรที่จะไม่ปล่อยกันทิ้งไม่เกี่ยวเดียวดาย ขึ้นมาก็มาล่วมกันทำวัดส่วนมันมีแต่ของดีๆมีผู้พูดมีผู้บอกมีผู้สอนมีแต่เรื่องดีๆแตเรื่องที่มันดีก็อยู่ในเราเนี่ยเรื่องไม่ดีก็อยู่ในเราเนี่ยสามารถแช่ได้ทุกอย่างเวลารับปฏิบัติมันสติเรือนเพื่อเราเห็นความคิดที่ไม่ตั้งใจแล้วมีสติอยู่ดีๆเนี่ย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 เราจะไ ม, ม่ให้มันไปมันก็ไม่ถูกต้องไม่มีใครที่จะประมาทในรงนี้ถ้ามีสตินะนตนสอนตนดูแลตนเตือนตนเจ๊ไขท น, น, น, นอยู่ทุกรูปทุกแบบมันร่างกายก็ดูแลร่างกายเองแต่ว่าดูแลแบบภายนอกเป็นยุ่งกัดเป็น ความหิวเป็นความเก็บความปว ด, ว ก, ด, ปวดก็บอกถ้าได้ป่วยก็บอกไม่ให้ไปทำอะไรให้พระสอนอี่ใจเราปฏิบัติยิ่งได้เห็นสิ่งที่พุตดีดีกว่านี้มังว่าโอกาสดีเท้ย ม, มาเป็นนักปวดกันเนี่ชีวิตเรายังมีอยู่แท้ๆเน่ย ยังทํามอเลยได้อยู่เนี่แล้วไม่มีโทษอะไรใจมีแต่ประโยชน์เราอยู่ที่นี่อีกหลายชีวิตที่กําลังเกิดความดีเพื่อเราอยู่ในป่าในตรงในปฏิบัติธรรมยังคิดถึงพวกเราอยู่อยู่หลายคนกําลังมีความสุขกับเราดูคิดถึงที่พวกเราผ่าการปฏิบัติที่ใด เราก็คิดถึงเป็นที่พึ่งอาสัยให้นอนอยู่ในบ้านเราสมัยเป็นคารวาก็คิดเรื่องนี้เหมือนกันคิดว่ามีที่พึ่งคิดว่ามีที่พึ่งได้ใส่บาตรก็ดีใจได้ไปรับศีลก็ดีใจได้ไปไหว้พระหลังสัมมาก็ดีใจแค่นั้นก็มีความฉกได้เพื่อกูณกับการใช้ชีวิต เคยอกสันขวรหน่อยเคยอะไรที่เกิดขึ้นมาคิดถึงพระที่อยู่ในวัดเราอยู่ในบ้านมันก็มีประโยชน์มีผลกระทุกต่ทั้งจิตวิญญาณของคนดีไม่น้อยเราอยู่ที่นี่แต่เราก็ได้อยู่ที่นี่ก็ได้ดูแลสิ่งแวลอ้อมสูญเสียทำให้มันดีขึ้นมา อ๋อเป็นสมบัติของส่วนรวมของโลกแต่ยิ่งใัญนะแต่ไม่ใช่ส่วนตัวอ๋ออยากจะเชี่ยวส่วนชวนี่ในได้ตั้งใจปธิบัติธรรมทำไม่ควรจะทำทำง่ายๆไม่ต้อง รีบต้องเลื่องไม่ต้องคำเครียดการปฏิบัติธรรมทำในเลยไม่ใช่ความเึ่งเขี้ยโกบเร่งรีบทำพาไปเองทำนำไปเองว่าตลเปฏิบัติตรรมตำๆๆไ ม, ม, ม่ไหนวินงไหนจะนำไปวิคือวิเศร็จในยะนำไปสู่ความถูกความตรงพุกทุกเรืงไปโอ้ยเหมือนกับผ่านไปผ่านไปไอ้จากข้าเึกไปได้ เนไม่มีใบในชีวิตของเราอาจจะไม่ช้าเราเดินตามทางไม่ไหนนทั้งหวั้งใา